คือชีวิตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาราชบรมนาฎบอพิษทรงตรหนักถึงความสำคัญด้านน้ำเพราะน้ำเป็นสิ่งสำคัญดังพระราชดำรัสเมื่อวันอาทิตย์ที่4ทธันวาคม2526นาณสาลาดุสิดาไลว่าด้วยเรื่องการจัดการน้ำท่วมโดยได้แนะวิธีการสูบระบายน้าจะต้องคานึงถึงปลายทางที่ได้รับน้าดังนั้น จึงต้องมีการวางแผนให้รอบคอบและสอดคล้องตามหลักภูมิประเทศด้วยกรมทรัพยากรน้ำกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้น้อมนำแนวพระราชดำริดังกล่าวมาวางแผนเพื่อให้เกิดการบริหารจัดการน้ำในช่วงน้ำท่วมโดยวิเคราะห์ข้อมูลสถิติเดิมเพื่อ น, นำมาหาพิกัดน้าท่วมซ้ำซากบนแผนที่และดาเนินการติดตั้งเครื่องสูบน้าในพื้นที่ดังกล่าวต่อไป โดยศูนย์ป้องกันวิกฤตน้ำกรมทรัพยากรน้ำและสำนัก ง, งานทรัพยากรน้ำภาค1ถึงได้ติดตั้งเครื่องสุบน้ำในพื้นที่ภาคเหนือจำนวน64เครื่องภาคตะวันออกเฉียงเหนือจำนวน82เครื่องภาคกลางจำนวน38เครื่องภาคตะวันออกจำนวน32เครื่องภาคตะวันตกจำนวน35เครื่องและภาคใต้จำนวน43เครื่อง สำนัก ง, งานทรัพยากรน้ำภาค 1-11 ถึงจะเป็นผู้ให้ข้อมูลพื้นที่หาแหล่งปลายน้ำเพื่อสูบน้ำจากแหล่งน้ำที่ท่วมขังไปกักเก็บเมื่อรดูฝนเข้ามาระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นเครื่องสูบน้ำที่ติดตั้งไว้จะทำการสูบน้ำอย่างเต็มประสิทธิภาพต่อไปน้ำคือชีวิตควรคิดก่อนใช้กรมทรัพยากรน้ำ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้อมพร้อมให้การปรึกษาด้านทรัพยากรน้ำโทรหนึ่งสามกด5หรือ w w w d w r g o t h